บทภาชณีนิสักียปาจิตตี624เภศสัตที่เกินกำหนด7วันภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วต้องอบัตตินิสักียปาจิตตีเภศสัตเกินกำหนด7วันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตตินิสักียปาจิตตีเภศสัตเกินกำหนด7วันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดต้องอบัตตินิสักียปาจิตตีเภศสัตวยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอบัตินิสักียปาจิตตี เพสัตย์ยังไม่ได้สละภิกษุสําคัญว่าได้สละแล้วต้องอบัตินิสักิยาปาจิตตีเพศัตย์ยังไม่สูญหายภิกษุสําคัญว่าสูญหายแล้วต้องอบัตินิสักิยาปาจิตตีเพศัตย์ยังไม่ฉิบหายภิกษุสําคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอบัตินิสักิยาปาจิตตีเพศัตย์ยังไม่ถูกไฟไหมภิกษุสําคัญว่าถูกไฟไหมแล้วต้องอบัตนิสักียาปาจิตตีเพศัตย์ยังไม่ถูกชิงไปภิกษุสําคัญว่าถูกชิงไปแล้ว ต้องอบัตินิสักคียะปาจิตตีเพศัต ท, ที่สละแล้วภิกษุได้คืนมาไม่พึงใช้ด้วยกิจที่เกี่ยวกับร่างกายและไม่ควรฉันพึงน้อมเข้าไปในการตามประทีปหรือการผสมสีภิกษุอื่นจะใช้ด้วยกิจที่เกี่ยวกับร่างกายก็ได้แต่ไม่ควรฉันทุกทุกกฏเพศัตไม่เกินกำหนด7ดวันภิกษุสาคัญว่าเกินกาหนดแล้วต้องอบัติทุกกฏ เพศัพตออกกศว์ยังไม่เกินกำหนด7วันพิสูจไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎเพศัตว์ยังไม่เกินกำหนด7วันพิสูจน์สำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดไม่ต้องอบัต